อนาปติวนันพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอวบคือ882ิบสอหนึ่งพิจูณีถูกความเสื่อมญาตเสื่อมโภคะหรือโรครุมเรา้าร้องไห้แต่ไม่ทุบตีตนเอง 2. ภพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญยัตสิขาบทที่10จบอันทักการวักที่สองจบ